การอยู่กันเป็นจำนวนมากต้องช้าดีไม่ดีกายมันอีดอาดหน่วยนายไปพำ ง, งานเกี่ยวข้องกันแมาจะไม่ใช่งานก่อสร้างตาางงานข้อวัดปฏิบัติที่มินประจำวันก็ทำให้ลาช้า อีกนั่นงานนี้ขององค์นั่นบ้างขององค์นี้บ้างทำให้เสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเสียเวลาไปเรื่อยๆนึกความเรือหมูมีเพื่อนมากทางความเพียรก็ได้เลย มันทำให้ยิ่ตกกังวลอยู่เสมอมีน้อยมันเคร่งตัวการคิอปฏิบัติาการขบการขันจากนั่นจัดนี้รวดเร็วกว่ากันไม่มีภาระมากผู้มาใหม่ก็ให้ดูผู้อยู่ก่อนให้สิ่งที่จะทราบได้ด้วยทางหูทางตาอย่ต้องให้สั่งสอนกันทุกแง่ทุกมุม ซ้สำๆ้ ส, สักมันลำบากํำคาญแกผู้สอนการสร้างตนให้เป็นพระโดยสมบุมแบบนี่ให้พุณสร้างว่าเป็นงานประจำชีวิตจิตใจของตนอย่าเห็นงานอื่นใดว่ามีคุณค่าและสำคัญยิ่งกว่า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 มันนั้นเกิดขึ้นได้แต่อย่าสัางหารธรรมที่ควรจะเกิดที่กำลังเกิดเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วให้คิบหายไปด้วยความประหมา่าซึ่งผิดทางของศาสดาใด้กับสิ่งที่เป็น ห้าสืบต่อกันนั่นแนบสนิทไม่มีเวลาที่คลายตัวเองออ ก, ออกบ้างเลยแนบสนิท ต, ติดกันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักธรรมทันให้ชื่อว่ายิเลอาสวะเครื่องมหมงักหมมอยู่ภายในยจิต สิ่งที่เข้าหมักหมมจิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สกรปรกให้พิษให้ภัยแก่จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะให้เกิดคุณแต่อย่างใดเลยผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อให้ธรรมเกิดและเพื่อขับไล่สิ่งที่เคยหมักหมมจมกันอยู่นั้นออกไปโดยลําดับ จึงต้องในตังหน้าต่งตางๆมีเจตนามีความบึกบึนมีความอุตสาห์เพอยา่างมีสติมีปัญญาดูตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ำเสมอในยะบทอิยา บ, บทต่งตางๆ <c oughs> ไม่ลดละความภาคเขียนในธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือวิธีทำละทราบฟอ หรือถอดถอนในขณะเดียวกันก็คือวิธีบังเพนให้ทําเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเราตัดต้นไม้ดายญ้าซึ่งปกคุมพื้นที่ให้โรคกลุ่มหลังนั้นออกไปดูลำดับอ๋อเป็นการสร้างความเตียนโล่งขึ้นในขณะเดียวกันพื้นที่ที่ รคกลุมดังก่อเพราะสิ่งมีสิ่งปกคุมหากถาท้าสิ่งปกคุมหร้อหรือถอนสิ่งปกคุมออกหมดโดยชื่นเชิงแล้วที่ก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกันและในสถานที่นั่นแหละใจซึ่งเป็นพื้นอันหนึ่งอันเป็นที่ปกคลุมของเชื้อแห่งวัฏฏวนและวิบากทั้งหลาย ก็ย่อมเป็นเหมือนกับพื้นที่การชำระด้วยความภาคเพียรดยวิธีการต่างๆยิ่งเป็นเหมือนกับการถา่าการถางสิ่งที่รบกุมลังในพื้นที่ให้หมดไปโดยลำกกดับลาดาจิตใจก็ค่อยเตียนโลงขึ้นมาเตียนโล่งขึ้นมาจนกระทั่งละอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิงเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นดวง เพียงพื้นที่ที่สะอาดก็น่าดูน่าชมเหตุใดใจที่สะอาดปราสจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นซึ่งกลายเป็นธรรมทั้งแท้งเป็นธรรมธรรมทั้งดวงภายในจิตแล้วทำไมจะไม่ประเสริฐความประเสริฐอยู่ที่ตรงนั้นอย่ามองข้ามใจไป ความทุกข์หรือความหม่นหมองความวุ่นวายต่างๆดีที่ใจเขาไม่ได้สร้างขอประสาทใต้าจำนเทียนเพราะไม่ได้สร้างศิดรามบ้านช่องอยู่เหมือนสัตว์เหมือนบุคคลแต่เขาเอาศัยจิตเป็นสถานที่บ้านเรือนเป็นที่ขับที่ถ่ายมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรคาด กิเลสนความลามกนกความสุขความเจริญจะอยู่ที่ไหนความทุกข์ความลําบากจะอยู่ที่ไหนนอกจากอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นไปอนนี้สำคัญการถอดถอนการชำระละ้างจึงต้องชำระล้างที่ใจซึ่งเป็นตัวปัญหาใหญ่อันกิเลสทั้งหลายได้ผูกมัดหรือได้ ตั้งปัญหาก่อปัญหาขึ้นแล้วเราต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเราเองด้วยอัดด้วยทำมองดูจุดนี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าจุดอื่นใดเหนือการสร้างพระจะว่ายากกว่ายากแต่สำคัญที่ศรัทธาความมุ่งมั่นเป็น นี่เป็นหลักใหญ่ท้าศรัทธาความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์และความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีมากน้ อ, อยเท่าไหรหน่ความเพียรความมุสาพยายามาพอบึกพอบืนพอเป็นพอไปพออดทนจนถึงขั้นว่าทนจนตายสู้จนตายไม่มีคำว่า แท้หรือไม่มีคำว่าลดละเพราะถอยเพราะความมุ่งมั่นเป็นธรมนธรมชาติปัจจุบัญความเชื่อกับความมุ่งมั่นเชื่อก็ ค, มมอกคือเชื่อแดนพ้นทุกนันแหละความมุ่งมั่นก็เพื่อความพ้นทุกย่อมจะจุดล่า เพื่อสนับสนุนคือความภาคเพลี่ยนความรูษาพยายามนี้ให้กมลมคลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนหมุนตัวไปได้โดยไม่คำนึงถึงการจะฐานที่เวลาไมเวลาความทุกข์ยากลาบากมากน้อยอันใดเลยเพราะความมุ่งมั่นนั้นมุ่งต่อผลที่เป็นหลังโดยท่ายเดียว รเรื่อเหตุนี้ฉนบอกวัดนี้จึงมีความสนใจและหนักแน่นทั้งสอนให้หนักแน่นทั้งสอนให้สนใจทั้งสอนให้บําเพ็ญทางด้านจิตตภาวนามากยิ่งกว่างานอืน่นใดทั้งนี้ก็เพื่อ ก, การสร้างจิตซึ่งเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอืน่นใดเช่นเดียวกันให้เป็นจิตที่ประเสริฐ เลิดเลยภายในตัวเองโดยไม่ต้องคิดว่าใครจะมานิยมชมชอบกับเราใครจะว่าเราดีเราไม่ดีขนาดไหนหรือเสียพิโสเพียงหยก็ต่างขอให้เราเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของเราที่กล่าวมาแ ล, ล้วหนี้เือ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 ซึ่งเป็นอุบายวิธีการหรือวิธีคนของกิเลสไปเสียผู้ปฏิบัติเป็นไม่ถึงไหนกิเลสมันสอดมันแทกอยู่ทุกขณะอยู่ทุกแง่ทุกมุงรัดตัวจนมองหาตัวไม่เห็นกิเลสมันรัดหัวใจห้มห่ อ, หอจิตใจจนมองหาใจอันแท้จริงไม่เจอเลย แล้วการแสดงออกจะไม่เป็นเรื่องของพิเด็ดต้นล้วนออกหน้าได้อย่างไรนี่คือประโยชน์เบื้องต้นจึง ต, งต้องในทุ่มเทกำลังหนักก็ยอมรับว่าหนักทุกก็ยอมรับว่าทุกเพราะทุกนี้เคยทุกอยู่แล้วเนื่องจากทุกนี้มีประจำอยู่กับหน้าที่การงานและในธาตุขันดู ของตัวเองโดยหลักธรรมชาติของมันอยู่แล้วจึงไม่ควรอิจนาลาใจในทุกที่เกิดขึ้นจากการประกอบความภากเสียนหากเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยทุกขาอื่นอื่นไม่เคยทุกสิ่งนนอื่นไม่เคยทำให้ทุกานาทำให้ทุกแต่เพาะการประกอบความภากเสียนเท่านั้นก็พอที่จะได้คิดเนี่ยการประกอบความภาค เขียนนี้เป็นความทุกข์โดยแท้อย่างอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์งานอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แต่นี้งานไหนก็งานนั้นมีความทุกข์ความลำบากแต่ตามแง่หนักเบาแห่งงานนั้นนั้นเหมือนกันหมดแต่ผลที่ปรากฏให้เป็นที่ปูนใจนั้นมีน้อยไม่สมหังไั่ นงานภายในจิตงานบำเพ็ญจิตนี้ยิ่งมีความหนักแน่นมีความเข้มแข็งมีความอดทนด้วยความเป็นนักต่อสู้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปมากอย่างไรยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภาในจิตใจคำว่าหมุนกันไปมากเป็นไรพือหมุนในการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าสิบได้แก่ชีวิ มีความพุ่งสร้างจ่ายแส้ของจิตเป็นต้นในจิตนี้กำลังในทางความเพียรสิ่งหล่นนี้ก็จะค่อยลดน้อยลงไปความทุกข์ในวันนี้ยานำไปเป็นอารมณ์ในวันหน้า ความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วเพราะการประกอบความภาคเียนอย่านำมาเป็นอารมณ์ในขณะที่ภาวนาเนี่นั่นเป็นเรื่องของกิเลสอีกเช่นเดียวกันจิตไปลากเอาทุกข์ในการประกอบความเพียรมาจีดฟางทางเดินให้ก้าวเพื่อความเพียรไม่ออกต้องเอาปัจจุบันธรรมเอาความมุ่งมั่นเอาความเพื่อรู้จริงเห็นจริง เป็นเข็มทิศทางเลยเอาสติปัญญาจดต่อลงในหน้าที่การงานของตนให้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันดูในหลักปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นงานที่ชอบทำไม่พิเรฒมาหลอกได้เป็นความลําบากลำบนวันนี้ก็ลําบากวันซืนนี้ก็ลําบากเดือนนี้ก็ลําบาก เดืนที่แล้วกลำลังบักงับแต่วังบวชมามีแต่ความลำบากตำบนเพราะการปฏิบัติธรรมตอนหนึ่งว่าเราเคยอยู่เนาะพระสาราชสมุทรเกียนด้วยยิมันยิมนยิมานชั้นพร ม, มโลกมาแล้วเห็นอย่างประจักษ์แล้วก็ามาเทียบเทียมต่อการประกอบความทุกข์ตการประกอบความเพียรแล้วเกิดทุกข์หน้นั้น อยู่ที่ไหนก็ทุกเหมือนกันไม่เห็นเอมามาเที่ยงมาเทียงมาบวกมาลบมาคิดเป็นกังวลอารมณ์ให้เป็นความกังวลวุ่นวายเขาไมา่ได้ภาวนาเขากระถึกหัดโลกนี้เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเราเองนี้รู้กับเราจัดใจในธาตุขันธ์ของเราเวลาอยู่ที่ไหนไปที่ใดทำงานประเภทไหน นนี่ต่เรื่องความทุกข์เข้าไปเกี่ยวข้องดยู่ทุกขณะทุกชิ้นทุกส่วนของงานทําไมเรยจึงไม่คิดว่างานหล่านั้นเป็นงานลําบากําบนเป็นความทุกข์ความยากความลำบากเหตุใดจึงมาคิดงานที่จะแกะ้ที่จะถอดถอนถึงที่สังเติมพาระจิตใจให้ออกเพื่อให้หลุดพ้นออกไปได้ น, นี่เราเป็นงานให้ความทุกข์แก่ตน มันเป็นความคิดที่ผิดถ้ะคิดเช่นนะั้นเมื่อเห็นนั้ น, นักปฏิบัติจึงต้องตั้งอยู่ในวงปัจจุบันเพื่อพุ่งไปในทางอนาคตที่จะเดินลื่งเรือ่องแก่ตนจึงถูกต้องยิดมันจะขาดผลโลดเต้นขนาดไหนก็พ้นอุบายวิธีของเราไปไม่ได้เพราะกิเลสกัดขันเมื่อนำธรรมมาใช้ต้องปราบกิเลสได้ ออกจากให้กิเลสปราบตัวเองเืียอย่างเดียวทำอะไรก็มีแตมันหลอกอยู่เรื่อยๆวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปแกิเลสไม่ได้ผ่านไปหลอกอยู่ตลอดเวลาในเอียบททั้งสี่ทุกขนาดจิตที่คิดที่ปรุงออกมาเพียงแต่กิเลสเตี้ยมสอนให้คิดให้ตรุงนี่จะมาบำเพ็ญทำยังไงเาจะระงับดับความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลส นั้นนาความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิตดวงเดียวกันโดยกา ร, การประกอบความภาาเขียนเชิงจะเห็นผลคือความสงบเย็นใจและความแยกคลายขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่ทำได้เกิดขึ้นภายในใจเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมและเกิดขึ้ญญาานได้ที่หนึ่งไม่เกิดขึ้นที่อื่น สติเป็นของสําคัญเคยคือพูดทุกขณะที่เทศทุกกัรที่เทศอบรมสั่งสอนหนูควรอันดับต่อไปก็คือปัญญาเพราะเห็นความสําคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อย่างกระทับใจไม่มีวันเลยสติไม่มีก็เสียท่านะปัญญาไม่มีก็หาความตลาดแก้กิเลสไม่ได้ความโง่เป็นเรื่องของกิเลส ความเพอสติเป็นพื้นเพของยุเหลดดีแล้วนนมไม่ควรนํามาใช้ในวงความเพียรของพระผู้ตั้งใจจะสร้างพระให้เป็นพระสมบูรณ์แบบต้องสร้างด้วยสติสร้างด้วยปัญญาสร้างด้วยศรัทธาความภาคเพียรความมุสาพยายามเมื่อเราทําตัวของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงไม่แล้วการแนะนําั่งสอนคนอื่นเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแยกไม่ออก เราสามารถสั่งสอนได้ทั้งนั้นเมื่อเราก็ได้ทำมาด้วยเป็นสติกำลังความสามารถและได้รู้ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมานั้นเป็นขั้นเป็นภูมิโดยดั่ดับจนกระทั่งถึงทะลุปู่ปร่งไปหมดนั่นมีข้อสงสัยแล้วการสั่งสอนคนอื่นจะเอาความสงสัยมาจากไหนการสอนด้วยความแน่ใจเพราะความรู้ความเห็น และความเป็นมาของตนเป็นสิ่งที่สนิทอาจหานมากเพราะเป็นความจริงการทํามา ก, ก็ทำอย่างนี้เป็นความจริงไม่ได้หลอกตนเองแล้วจะเอาเราไปหลอกโลกการรู้เห็นทำทุกขั้นการรู้เห็นขึ้นจิตใจของตัวเองประจับกับใจอยู่แล้วการสั่ง ส, อ น, สอนคนอื่นทําไมจะไม่จะสั่งทไมจะขัดจะขัดคล้องลิง่น ทำไมจะกระทบสะท้ะทานทำไมจะไม่มีเครื่องสอนสิ่งที่ให้สอนก็ปรากฏในใจนี่แหละการสอนคนอื่นนั้นันเป็นผลคอยได้จากการสอนตนเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะพยายามฝึกผลอบรมสั่งสอนอทิธรมาณตนเองอานเป็นตัวพยศ เต็มอยู่ในหัวใจนั้นให้หายพยศไปโดยลําดับลำดักลายเป็นจิตที่ดีที่เรียกว่าคนดีพระดีขึ้นมาตามท่านตามภูมิของธาพเพียงและกําลังความรู้ของตนเดี๋ยวนี้กําลังขึ้นมาโดยลาดับเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆเจริญสมณะธรรมเจริญอย่างนั้เมื่อได้สอนสอนจนเต็มภูไม่รู้เต็มภูมิแนว งารฟังสอนคนอื่นพ อ, อยอมได้ครับผู้ที่ฟังก็ออยอมได้ครับผล ป, ประโยชน์เป็นสติกำลังความสามารถของเขาเพราะผู้สอนไม่สอนแบบสุม่มเดาสอนตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามจริงๆไม่ผิดไม่เพียงไม่ทำให้ผู้สงสัยไม่ไม่ทาให้ผู้มาอบรมศึกษาเกิดข้อข้องใจสงสัยแต่ประการใด ผลก็ย่อมตามกดขึ้นได้ตดยลำดับลำดาดัง น, น, นั้นพระพุทธเจ้าและสาวกทสั่งสอนสรรโลกจึงได้ผลเป็นที่พอใจทีนี้ธรรมที่ท่านประกาศไว้แล้วนั้นนักเกิดการล็กลงในกัมพีบดลานอาศัยความไม่รู้ของเราไปจดจำธรรมเหล่ า, านั้นหนาธรรมเหล่ า, านั้นก็จะพ้นที่จะ อยู่ในความสงสัยของใจผู้มัรุ่น อ, อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นทำถึงจะเป็นของจริงแต่ใจเป็นของตลอแล้วการสั่งสอนใครต่า ง, ก, าางก็ไม่ทําให้จริงจังได้ไม่ใหตนและผู้อื่นเป็นที่แน่ใจได้ทำทุกขั้นโดยประสานกับจิตเต็มภูมิด้วยภาพปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นความจริงเต็มภูมิแล้ว สอนขั้นใดภูมิใดก็ตนไม่เนหนึ่งเพื่อฟังก็ฟังอย่างตุกใจม่มีความสงสัยเนี่ยหลักใจญ่งอยู่ที่เราต้องทำให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจแนว่วอย่าให้สงสัยอย่าให้ตันิดตนได้ทำลงไปจนหาที่ตาหนิตนไม่ได้แล้วมันก็ภูมิใจคณเรา โคมใจเป็นลำดับลำดาอยาชินชาต่อความเถียนต่อสถานที่ต่อีเพื่อน ระมัดระวังตัว อ, อยู่เสมอเพราะเราอยู่ในฝักในหนามคือกิเลสความร้อนและเสียดแทงเราอยู่ทุกปิยาบทจึงไม่ควรประหม่านองใจทํำใจให้ในเบิกก้างออกไปกิเลสนั่นแหละมันเบิกก้างออกไปเบิกออกหยิบอำ น, นาจของธรรมขับดันมันออกไปขับไล่มันออกไป การคือความรู้สึกของใจก็เบิกกวา้างเบาไปภายในตัวเองโดยลำดับในะสะว่างพระจรันทแจ้งขึ้นที่ใจตรงนี้เมื่อกราศ จ, จากสิ่งที่ทับถมแล้วใจย่อมเป็นอิสระขึ้นโดยลําดับลำดาจนเป็นอิสระเต็มที่ทีนี้ไม่มีอะไรแล้ ว, ข, ลวขึ้นที่ว่าสมมุติแล้วที่จะเข้ามา เดียมย่ยทำทําลายหรือกระทบกระเทือนใจที่เป็นอิสระดด้วยความเป็นธรรมเป็นดวงแล้วนั่นแหละทํายัทนทําประสงค์เกิดขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัติเช่นเราเป็นพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินตี้เป็ปมปภูมิก็เรียกว่าเราสร้างพระสมบูรณ์แบบเป็นภูมิของพระ ถ้าโสดาพระกัจจิธาพระอนาคาพระอระหรันต์เท้มอยู่ในสิบนี้ไม่มีอยู่ที่อื่นอย่าสำคัญมั่นหมายไปอย่าตะพุกเงาคือมันเป็นเงาย่าคาดออกไปมิเลศมันไม่มีท่านใดภูมิใด แต่สามารถบังคับจิตบีดข้านจิให้อยู่ในเนื้อมือของมันได้ตลอดไปตลอดมาถึงปัจจิวันนีนซึ่งที่เป็นพิษก็เป็นพิษเงการปฏิบัติตนเองก็ไม่ต้องไปคำานึงถึงชั้นใดภูมิใดถ้าคำานึงก็ให้คำานึงถึงความพ้นทุกข์คือพ้นจากเครื่องกดผีบังคับ ทรมานอยู่ภายในใจนีเมืเ่อเป็นที่ภายในใจหาทพิฆมะขิ่นสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นี้วก็รู้อย่างเต็มใจเพราะว่าโลกธาตุไม่มีก็พูดได้เพราะไม่มีภายในใจแดนสมมุติในสามโลกธาตุมีท่านเรียกว่าแดนสมมติสมมติอย่างหยากอย่างกลางอย่างละเอียด เรียกปสมมุติไปกันไม่มีในจิตใจในพ้นแนนจากแดนสมมุตินี้ทั้งจิตใจก็เป็นธรรมชาติที่บริสุและรู้อยู่ในท่ามกลางแห่งสามแดนโลกธาตุที่เป็นสมมุตินี้เฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขันกับจิตขันก็เป็นสมมุติไม่ว่าจะเป็นรูปอาขันเวทนาขันที่มีอยู่ในร่างกาย สัญญาขันธสังขารขันธ์ยมยานขันธันเป็นกระแสของจิตนี่เป็นความสมมุติทั้งหมดแต่ธรรมชาติอันแท้จริงคือจิตที่เบิกสุดแล้วไม่ใช่ความสมมุติทั้งห้านี่นี้ไม่ใช่ขันธ์ห่านี้เป็นเพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนขันธ์ห่านี่ไม่มีก็ได้ คือไม่มีที่จะไปเกียวแทง่งจิตใจให้รักความเบือดร้อนทุก็ทราบว่ามันทุกหิวกระหายก็ทราบในเวลาที่คลองขันอก็ทราบอยู่ภายในของขันเมื่อหิวอ่อนเพียก็ทราบอยู่ภายในขันว่ามันลดกําลังของมันลงไปี่มันต้องการอะไรก็ทราบว่าอาการทั้งห า, งายทั้งกลอเมื่อหมด ทางที่จะสืบต่อกันต่อไปแล้วคันนี้จลายกอนมันก็สายลงไปต่างสภาพกล้องมันธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมติคือธรรมชาติที่ดุสุดนั้นก็อยู่ตามหลักธรรมชาติทั้งหมดนั่นก็มีธรรมะปฏิบัติมา้ถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าสร้างพระได้ แบบนนี้สมบูรณ์เต็มที่อย่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่ลมภัยที่มั้ไมเคยเกิดทางเห็นทางตาทางจมูกทางริทางกายและเกิดขึ้นจากทางใจยวข้องกับผู้เสียงกิ่นลเครื่องสัมผัสกลองแคบขนาดไหนนั้นหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงถ้ามีอะสืบต่อไปนานมีนสาวถึงผลเหก็ประดังไดอธิบายให้ฟังแล้วยา ขึ้นหนาลอาจใจต่อความเพียรและความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรคือความมุ่งมั่นเป็นสำคัญในหลักของการดำเนิน ง, ง, ง, งานจะไม่ท้อถอยอ่อนแอและจะถึงแดนแห่งความพ้มทุกข์ในวันหนึ่งโดยไม่สงสัยแสดงเป็นตัวนี้ตอนนี้เนื่อย